ก็เอาไปพิจรารณาภาษาให้เยอะๆนะว่าภาษาทุกภาษาเป็นที่ตั้งแห่งการสร้างวัตถะแล้ววันนี้จกักขูสัมผัสกี่ภาษาเลยเนาะเยอะนะอาหารอันนี้กี่ภาษาเรี่ยวก็มีหวานก็มีเค็มก็มีเป็นต้นเลยนะแล้วก็กี่คํานะก็คูณจํานวนคำเข้าไปอีกเลยนะแล้วก็ดูเออทําำคำกันคนละเท่าไหร่คนละเท่าไห ร, คไหร่คนละเท่าไหร่กันเนาะย้อนกลับมาถึงเรื่องภาษะในในทุกภาษาอีกครั้งหนึ่งนะว่า ภาษาทุกทวารที่เกิดการรับผกระทบขึ้นคิดง่ายๆว่าภาษาทุกภาษาเหล่านั้นเป็นอาหารชั้นยอดของวัตถุถ้าพูดธรรมดาทั่วๆไปสําหรับผู้ที่ไม่พิจารณาคําสอนไม่ใส่ใจในคําสอนตามตามที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะว่าภาษาทุกภาษานำมาซึ่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยซึ่งตัญหาหรือเป็นปัจจัยแก่ตัญหาตัญหาก็เป็นปัจจัยแก่ อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่พบพบก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชรามรณ์โสกาปริเทวทุกปโตมนัตและอุปาหยานั้นทุกภาษะหลังจากภาษาแล้วในทุกทวารจะตามด้วยกุศลหรืออกุศลก็ตามโดยมากก็เป็นการสร้างวัตถุสำหรับผู้ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะรู้เห็นว่าจากักปลูกไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจกักกูวิ ญ, ญญาณไม่เที่ยงแล้วภาษาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้จักเที่ยงมาแต่ไหน เมื่อภาษาไม่เที่ยงเวทนาทั้งสามก็ไม่เที่ยงก็จะเบื่อหน่ายแม้ในจากขู่สัมผัสเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดในจากขู่สัมผัสถ้าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็ย่อมจะดับภาษาได้อย่างแท้จริงถ้าจะดับภาษาอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อไม่มีบ่อเกิดของภาษะเพราะภาษาเนี่ยอาศัยบ่อคือจากขู่อาศัยบ่อคือโสตอาศัยบ่อคือ ฐานะอาศัยบ่อคือชิวหาอาศัยบ่อคือกายะอาศัยบ่อคือมโนเพราะว่าพวกนี้เป็นบ่อเกิดเรียกว่าภาษายตนะเนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีนามรูปเป็นเหตุใกล้มาดูว่าทำสองที่ควรทำปริญญาคือนามมันจะรูปันจะนามและรูปควรเป็นทำสองที่ควรทำปริญญา คำว่านามได้แก่นามะขันธ์สี่และนิพพานนนั้ไม่มีรูปนิพพานนี้ไม่มีสภาวะของรูปอันนี้สับว่านามนามโดยสับนะโดยสัพท์โดยไป ย, ยังชนะเนี่ยกลมความถึงนา ม, มาขันธ์ทุกชนิดและพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นเป็นนามธรรมเพราะไม่มีรูปคำว่ารูปโดยสัพท์นั้นหมายถึงมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตารูป มาปูตรูปมีสี่รูปเพี้ยสัยหมาปูตุลูปมียี่สิบสี่ก็เราคุ้นเคยว่ารูปยีนะ่สิบแปดเรียกว่านามได้แก่จิตเจตสิกทุกชนิดรวมทั้งนิพานรูปได้แก่รูปทุกชนิดหมายถึงรูปยี่สิบแปดศัพอ น, นี้ขยายโดยศัพท์ก่อนนะขยายโดยศัพท์ยังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราต้องการจะพูดแต่ว่าขยายโดยถ้อยคําก่อนว่าขันสีชื่อวานามเพราะอาจถาวาน้อมไปนะเช่นจากครูวิญ ญ, ญาณเนี่ยน้อมไปไหน ไปเพื่อจะรู้สีโสตวิญญาณน้อมไปเพื่อจะฟังเส mmm. ียงคานวิญญาณน้อมไปเพื่อจะรู้กลิ่นชิวหาวิญญาณน้อมไปเพื่อที่จะรู้รสกายวิญญาณน้อมไปเพื่อจะรับโภธากายะมโนวิญญาณน้อมไปเพื่อจะคิดน้อมเพื่อจะคิดต่างๆนั้นธรรมชาติของนามนี้ประภาว่าน้อมไปน้อมไปเรื่องจะอยู่ไปขนาดไหนใจก็น้อมไปเอามาคิดได้เนี่ยนะ ก็ไกลแม้กระทัว่าข้ามบ้านข้ามเมืองข้ามทะเลข้ามอะไรก็น้อมเก็บเอามาคิดได้หมดเพราะน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติที่น้อมไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าน้ำมันเป็นเหมือนมือประมึกนะคิดหนึ่งเรื่องเหมือนมือประมึกหนึ่งตัวนึกสงสัยมันยุ่งไปหมดเลยนะคิดไปคิดมาพันกันเองไปหมดเลยนะถ้าหาว่าความหนึ่งความคิดน้ำหนึ่งน้ำที่มันน้อมไปคิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเหมือนมือปลาหมึกนะยุ่งไปหมดเลยเนาะ หรือก็เหมือนกับใหญ่แมงมุเหมือนนีมันแพร่ตะขายเต็มไปหมดเลยนะงใส่ว ค, ความคิดนี่มันเงินสุดยอดของเรตาอะไรนะตัวเรตาตัวอะไรที่มันขีดทุกตารางนิ้วหมดอนะความคิดไหนมันชนกันระเบิดแหลกไปหมดแหละแต่ดีว่ามันเป็นนามมาทำเนะนี่ยนะมังงั้นพูดนวายมากเพราะนาำเนี้ธรรมชาติของเขาโน้มไปเพื่อจะรู้จริ่งอยู่ขันเหล่านี้มีอารมณ์เป็นตัวนํำย่อมน้อมไป เพอารมณ์นี้แปลว่าเป็นที่ยินดีใช่ไหมโดยศัตว์นะอารมณ์อารมณ์นี้แปลว่าเป็นที่ยินดีเช่นรมณียสถานก็สถานที่อันเป็นที่เรื่นรมที่ใดที่น่ายินดีน่าเรื่นรมที่นั่นอาจจะเป็นชุมนุมของศัตท์ทั้งหลายเนี่ยสัพท์ทั้งหลายก็ไปชุมนุมอยู่แถวนั้นแหละเพราะสิ่งที่ที่นั้นเป็นที่น่ า, านยินดีนี่ก็เหมือนกันนามทำนามทั้งหลายก็น้อมไปยินดีในเ er ช่ kick, ja นจักรวิญญาณก็น้อมไปยินดีใน รูปโสตวิญญาณก็น้อมไปยินดีในเสียงเพราะว่าเขาเขาขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็น้อมไปเพื่อจะรู้ น, นามทั้งหมดนามทุกน้มมีอัตถาว่าให้น้อมไปน้อมไปเพื่อจะรู้ <c oughs> จริงอยู่ขันนามขันสีอย่างกันและกันให้น้อมไปในอารมณ์หมายความว่ามันมันช่วยช่วยกันให้รู้อารมณ์ได้เช่นน้ตกยกกิจขึ้นสู่อารมณ์วิจาร คราวคออารมณ์เจตนาชักชวนกระตุ้นเกือนสัมปยุตธรรมให้คิดเรื่องอารมณ์เป็นต้นทุกอย่างมันจะช่วยส่งเสริมกันในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายอันนี้นามธรรมที่เป็นนามขันสีส่วนนามที่เป็นนิพพานล่ะนามที่เป็นนิพพานนามที่เป็นนิพพานนี่หมายาว่านิพพานยันธรรมที่ไม่มีโทษให้น้อมเข้าไปในตนเพราะถาว่าเป็นอารมนาธิปจิและก็เป็น โดยความเป็นอารมณาธิป ต, ติคือนิพพานเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติที่ดึงมักผลให้น้อมเข้ามาหาตนเหมือนกับว่าน้อมเป็นตัวน้อมใช่ไหมแต่น้อมน้อมมาหาตัวนะไม่ได้น้อมไปไปหามักผลนิพพานไม่ใช่ธรรมชาติที่น้อมไปหามักผลแต่มักผลเป็นธรรมชาติที่น้อมไปสู่พระนิพพานมัดผลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่น้อมไปน้อมไปเพื่อจะรู้นิพพาน ส่วนนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่น้อมมรรคผลเข้ามาสู่ตนเนี่ยนะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่านิพพานนั้นเป็นอสังขตธรรมเป็นอสังขตภาตุนิพพานนั้นน้อมตัวปัจจยุปันมหาตนคือมรรคผลเนี่ยโดยโดยปัจจัยไหนโดยอารมณธิปติเนี่ยนะอารมณนาอารมณ์ิปติอารมณูปนิสยาเนี่ยนะคือน้อมมรรคผลเข้ามาหาตนด้วยด้วยสามปัจจัย ส่วนคำว่านามนามอธิบายนามมีสองกลุ่มใช่ไหมสรุปนามมีสองกลุ่มคือนิพพานกับนามอาคารสีนามอาคารสีน้อมไปรู้อารมณ์ส่วนนิพพานน้อมน้อมมักผลมหาตนที่ชื่อว่ารูปรู ป, รปเพราะอัตภาจจว่าเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเย็นเป็นต้นด้วยอานาจสันตติสันตติเนี่ยแหละเป็นรูปสันตติรูปทุกชนิดนะสันตติรูปมีกิมีกี่สันตติรูปมีกี่กสันตติ กว้างๆใหญ่ๆมีอยู่สี่สันตติสันตติที่เป็นกรรมมชรูปจิตตะรูปอุตตระูปและอาหารชรูปเนี่ยนะก็สันตติสี่อย่างในสันตติเหล่านี้กรมรมชรูปก็มาแบ่งเป็นกลุ่มจกักรูกลุ่มโซตานะชิวหากายะหาทะยะกลุ่มอะไรกลุ่มภาวะเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มรูปเหล่านี้เนี่ยนะก็ เป็นไปตามปัจจัยเหล่านี้คือผู้เป็นไปตามอำนาจของตามจิตอุตุและอาหารถึงเป็นไปอย่างนั้นธรรมชาติเหล่านี้ก็สลายไปเพราะวีโรที่ปัจจัยรูปปัเณเพนะอาิบาว่ารูปปัณฑแปลว่าสลายไปนะคำว่ารูปมีความหมายว่าสลายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ฟังดูเหมือนไม่หนักแต่จริงๆเนี่ยหมายถึงตายจริงๆเลยแหละเช่นคนเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากความเป็นแล้วเป็นอะไรเปลี่ยนจากเป็นก็เป็นตาย นะเลิกเป็นและก็แปลว่าตายนัคาว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้รูปกัญหาสลายไปก็แปลว่ามันตายปัจจัยที่ทําให้ตายมีอะไรบ้างทําให้สันตริรูปเสียหายแปลปรนไปนี่มีอะไรบ้างหนาวหนาวเกินไปหนาวเกินพอดีก็ตายร้อนเกินพอดีก็ตายหนาวร้อนหิว完了ไม่มีกินก็ตายกินอืดไม่ย่อยก็ตายสรุปว่าปัจจัยแห่งความตายในโลกนี้ มีมากเหลือเกินนั้นคำว่ารูปนั้นแปลว่าสลายไปเสียหายไปแตกทําลายไปเพราะปัจจัยได้ปัจจัยที่ไม่สมดุลกันหน่อยเดียวก็ตายแล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยบอบบางมากไม่รู้อยู่กันได้ยังไงนะเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องปัจจัยแห่งความตายเนี่เยอะจริงจริงเพราะพร้อมที่จะเป็นปัจจัยแห่งความตายเรียกว่าเหตุความเป็นอยู่ของท่านมีส่วนเดียวเหตุแห่งความตายของท่านมีตั้งพันนะเหตุที่ทำให้ไม่ตายมีส่วนเดียว แต่เหตุให้ตายมีเยอะเหลือเกินรถทุกคันที่วิ่งบนถนนพร้อมที่จะฆ่าเราทุกคันเน่ยไม่เชื่อวิ่งไปชนดเลยอัน <c oughs> นี้ไม่ได้แชกไม่ได้ไม่ได้สายสายใช้ให้ไปตายนะไม่ใช่ลเล่าให้ฟังว่าเออทุกอย่างมันพร้อมที่จะเป็นปัจจัยแห่งความตายเราได้หมดเลยคําว่านามท่านประสงค์เอานามที่เป็นโลกิยะเท่านั้นส่วนรูปเอารูปที่เป็นโลกิยะส่วนเดียวเนี่ยนะคำว่านามกับรูปเป็นธรรมที่ควร กำหนดรู้ควรทําพิจารณาควรทําปริญญาเนี่ยนะเช่นจับถ้าเราอัตตากับสีเป็นอะไรทวารตานัตากับสีเป็นรูปที่เหลือทั้งหมดเป็นนามนะที่เหลือง่ายๆนะทวารตาคิดง่ายๆเลยนะอากับสีเป็นรูปที่เหลือทั้งหมดเนี่ยตามจากนี้ไปเนี่ยเป็นนามหูกับเสียงเป็นรูปที่เหลือตามจากนี้ไปเป็นนามจมูกกับกลิ่นเป็นรูป ที่เหลือจากนี้เป็นนามลิ้นกับรถเป็นรูปที่เหลือจากนั้นเป็นนามกายกับโภตาคเป็นรูปที่เหลือเป็นนามส่วนใจเนี่ยนะใจก็เป็นนามอย่างเดียวสิ่งที่คิดถึงบางอย่างเป็นรูปบางอย่างเป็นนามสองอย่างนี้ก็คือนามและรูปนามรูปเหล่านี้เนี่ยนะก็มาแบ่งว่าพิจารณานามรูปโดยอา น, นิจโตเป็นต้นน่ยนะพิจารณานามรูปในทวารทั้ง6เหล่านี้โดยความเป็นของ โดยปัจจัยนี้ยังไงก็ต้องเม่นยำอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าตรงนี้ผู้ตีระาปัญญาถือว่าปัจจัยกําหนดมาเป็นอย่างดีแล้วก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงให้จริงๆมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงแต่ทําไมเราต้องไปพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะใจมันรับแต่เที่ยงเหมือนเดิมยั่งยืนแน่นะแน่ใจนะแน่เสียวใจฉันแนนอนอยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนเงี้ยนะเป็นตอนนจริงไ้มล่ะ จริงไหมใครว่าจริงมั น, มนไม่จริงเมื่อมันไม่จริงนี่แหละจะต้องน้อมไปพิจารณาตอนจนบอกเออใช่ใช่ใ่มันไม่เที่ยงจริงๆเลนะอยา่างเขาบอกโอ้หน้าคุณนะ้าเมือ น, นกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมเล้ตอนเดี๋ยวก็ยิ้มบัางนะเดี๋ยวก็หุบบ้างเดี๋ยวก็ยิ้มบ้างเดี๋ยวก็หุบบ้างเนี่ยอะไรมันหน้าเดิมอยู่หรือเปล่าเลยนะเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้จะไปเอาอะไรมากมายเพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเชื่อไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนะเราเห็นตรงผ้ามหมดเลย เช่นท่านบอกไม่เที่ยงให้เราบอกอีกนานท่านบอกเป็นทุกเราบอกว่าสุขบอกว่าเป็นอนัตตาบอกดูแลได้ะควบคุมได้เป็นโรคบอกรักษาได้นะทุกเรื่องเราเห็นขัดกับพระพุทธเจ้าทั้งส่วนใหญ่หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละต้องมันไปไข่ควรคนจนยอมรับเอ อ, เ อ, อใช่จริงๆที่รเราฝืนตลอดฝืนว่ามันจะเที่ยงฝืนว่ามันจะสุขฝืนว่ามันจะยั่งยืนฝืนว่าจะงามฝืนว่าจะเป็น อะตตาก็คิดเผื่อๆไปบ้างอะนะคนคว้าพิจารณาไปยังไงต้องที่เป็นอยา่างที่ที่เราคิดเนี่ยน ะ, ะนามรูปทั้งที่เป็นอนามที่เป็นโลกิภะนี่ก็เอามาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้ส่วนรูปนี้ยังไงก็เป็นโลกิภะโดยส่วนเดียวใช่ไหมรูปเพราะรูปที่เป็นโลกุตระไม่มีในนิกายบางนิกายเนี่ยเขาถือว่ารูปเป็นโลกุตระนะ พระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระทั้งองค์เลยบางน้กายเนี่ ย, เ, ยเขาก็ถืออันนี้ก็ศึกษาเลยทงไปแต่จริงๆแล้วรูปทุกรูปเป็นโลกิยะทีนี้รูปรูปทุกรูปมีอะไรเป็นเหตุใต้มาภูตารูปสี่มหาภูตกับมหาผียันเดียวกันเยนะหวังว่าคงไม่ถูกผีหลอกสำหรับในช่วงนี้ก็คงจอธิบายแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็มีอะไรก็ามาสมทนา